จะทำอะไรก็ตามเนี่ยครั้งแรกเนี่ยมีความสําคัญมากเพราะว่าถ้ามีครั้งแรกนะมันก็มักจะมีครั้งที่สองครั้งที่3แล้วก็มีครั้งที่4ครั้งที่5ตามมาแต่ถ้าไม่มีครั้งแรกนะครั้งที่2กงั้ที่3นี่มันก็ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้มันก็เหมือนกับ จำนวนหรือตัวเลขนะจะเป็นหนึ่งล้านหรือสิบล้านก็ตามเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากหมายเลขหนึ่งหรือเริ่มต้นจากเลขหนึ่งไม่ใช่เริ่มต้นจากศูนย์นะเลขจํานวนมหาศาลแค่ไหนเนี่ยก็ล้วนแต่เริ่มต้นจากเลขหนึ่งเพราะหนึ่งเมื่อมีนะมันก็จะตามมาที่สอง แล้วก็ 3-4-5 ไปเรื่อยๆอาการทำอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามันไม่มีการเริ่มต้นนะมันก็ไร้ประโยชน์แต่เมื่อมีการเริ่มต้นนะมันจึงจะเกิดผลตามมาทีละนิดทีละหน่อยก็ยังดีแต่แบางครั้งเราก็จะพบว่ า, าการเริ่มต้น หรือว่าการนับหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายหลายคนนะก็รู้ว่าการออกกำลังกายเช่นการวิ่งเนี่ยเป็นของดีแต่ถ้าไม่มีการเริ่มต้นเลยนะมันก็ไม่มีการกระทําต่อเนื่องตามมา แต่การที่จะเริ่มต้นนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันมักจะมีเพราะเรามักจะมีข้ออ้างต่างๆนานาอันนี้ก็เช่นเดียวกันปฏิบัติธรรมหรือว่าการเจริญสติการทำกรรมฐานหลายคนก็รู้ว่าดีแต่ก็ไม่ยอมเริ่มต้นสักที และวกว่อจะเริ่มต้นทำเป็นครั้งแรกนี้มันก็ยากทีเดียวนะในความรู้สึกของหลายๆคนรวมทั้งพวกเราด้วยมันมันกจะมีข้ออ้างต่างๆนานาว่ายังไม่ถึงเวลายังไม่พร้อมนะหรือว่าฉันไม่มีความสามารถหรอกเราก็ต้องใช้การเขี่ยวเข็นนะ แต่พอมีครั้งแรกแล้วนะเราจะพบว่าครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยมันจะง่ายขึ้นคนที่ไม่เคยเปลี่ยตัวมาทำกรรมฐา น, นหลายๆวันที่นี่เนี่ยกว่าจะมาได้มันก็คิดแล้วคิดอีกหรือบางทีก็เปลี่ยนใจ ตั้งใจว่าจะมาแล้วก็ไม่มาเพราะมีข้ออ้างสารพัดแต่ถ้าเกิดว่าเกี่ยวเขยนตนเองหรือว่ามีการอธิษฐานอธิษฐานในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงการขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดนบันดาลแต่หมายถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือบางทีเราก็ตั้งสัจจะเราตั้งสัจจะแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ต้องทำแล้วพอเริ่มทำเนี่ยเป็นครั้งแรกเนี่ยแม้มันจะรุงหลุมนอนดอนจะขูกลักแต่เราจะพบว่าครั้งต่อไปนี่มันจะง่ายขึ้นส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเราพบว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวหรือลำบากขนาดนั้น ไอตอนที่ยังไม่ได้ทำเอาแต่ตั้งท่าเนี่ยเพราะมันมีความวิตกมีความกลัวฉันทำไม่ได้ทำไม่ได้ลำบากไม่ใช่เวลาแต่พอได้ทำแล้วเออเราจะพว่ามันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดอย่างบางคนเนี่ยไม่กล้นนอน ในป่าคนเดียวอย่ยว่าแต่ป่าช้าเลยนะแค่นอนกลางกรดในป่าคนเดียวเนี่ยผมรู้สึกวเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากแล้วก็เอาแต่ตั้งท่ายานั่นแหละเพื่อนๆ น, น, นี่เขาก็ไปกลางกรดในป่าครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ตัวเรานี่ก็รู้ว่ามันดีนะมันเป็นการทา้าทายเป็นการฝึกทั้งขันติทั้งความกล้าแต่ก็เงงเงงนะหรือตั้งท่ายนะั่นแหละขั้นพอตัดใจนะอลองทำดูนะแม้ว่าอาจจะเต็มไปได้วยความกลัวในยามค่ำคืน แต่พอผ่านคืนนั้นไปได้เนี่ยไม่มีความมั่นใจมากขึ้นแลอย่างที่ว่านะพอมีครั้งที่หนึ่งแล้วมันก็มีครั้งที่สองตามมานั้นจะว่าไปแล้วเนี่ยครั้งที่1เนี่ยมันสำคัญมากทีเดียวเช่นเดียวกับเลขหนึ่งเนี่ยเป็นเลขที่สำคัญมาก สำคัญกัเลข0ูนย์เพราะว่าพอมีหนึ่งสุดท้ายมันก็จะมีสิบมีร้อยมีพันหรือหมื่นแสนตามมาเพราะทุกจำนวนเนี่ยไม่ว่าจะล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านก็ต้องเริ่มต้นจากเลขหนึ่ง ดัวแล้วก็ตามเนี่ยบ่อยครั้งนะเลขสองเนี่ยก็อาจจะสำคัญไม่น้อยกว่าเลขหนึ่งเวลาเราทำอะไรแล้วเกิดความผิดพลาดขึ้นมาเราจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่แย่ แต่ว่ามันก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าถัดจากนั้นเนี่ยเราทำอย่างไรเราจะเริ่มต้นด้วยความผิดพลาดหรือว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นก่อนอันนี้ก็เลขหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าสิ่งที่เราทำหลังจากนั้นซึ่งอาจจะเรียกว่าเลขสองบ่อยครั้งเนี่ยสิ่งที่เรา ทำหลังจากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนี่ยมันสำคัญกว่าคนเราเนี่ยมันก็ยอมทำอะไรเริ่มต้นในความผิดพลาดอันนี้เป็นธรรมดาแต่ว่ามันก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าหลังจากนั้นหรือถัดจากนั้นเนี่ยเราทำอย่างไรอย่างเช่นบางครั้งเราก็อาจจะเผลอ ทำสิ่งที่ไม่สมควรเช่นโกหกหรือว่ารักขโมยบางทีก็พ่ายแพ้ต่อกิเลสผิดศีลอันนั้นจะไม่สำคัญเท่ากับว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราทำอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นพอเราทำผิดแล้วเราปกปิด อันนี้กลายเป็นแย่เลยหรือเราทำผิดแล้วเราก็แก้ตัวอ้างโนนอ้างนี้ไม่ยอมรับผิดหรือว่าทำผิดแล้วเช่นลักขโมยหรือโกงทุจริตแล้วเราก็พยายามที่จะปกปิดการกระทำนั้น บ่อยครั้งเนี่ยสิ่งที่คนทำหลังจากนั้นนี่มันแย่กว่าสิ่งที่ทำครั้งแรกเนี่ยเช่นพอรักขโมยหรือทุจริตแล้วเนี่ยเกิดมีคนรู้ก็พยายามปิดปากเขาบางทีก็อาจจะใช้วิธีการที่เลวร้ายซึ่งมันหนักกว่าการทำผิดครั้งแรก บางครั้งนี้การทําผิดครั้งที่สองนี่มันมันเลวร้ายกว่าการทําผิดครั้งแรกเช็นเราไปนินทาว่าร้ายใครเสร็จแล้วพอเจ้าตัวรู้เขาก็มาถามเราก็โกหกปกปิดแทนที่เราจะยอมรับผิดคนเราเมื่อทําผิดแล้วเนี่ยอันนี้เรียกว่า เริ่มต้นที่เริ่มต้นผิดนะแต่ว่าหลังจากนั้นเราทำถูกเช่นยอมรับผิดสิ่งนี้มันดีกว่าการกระทาถัดจากนั้นเนี่ยมันมักจะสำคัญแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่ตระหนักนพอทำผิดแล้วเนี่ยการกระทาถัดจากนั้นนี่ มันกลับผิดยิ่งกว่าเพราะว่าต้องการปกปิดอันนี้เราก็เห็นได้นะตามข่าวคราวต่างๆแต่ผิดแล้วเราทำเราทาถูกตามมาอันนี้ดีกว่าเช่นเรา ย, ยอมรับผิดนะขอโทษขอโพลไปเริ่มผิดแต่ว่าหลังจากนั้นทำถูกซึ่งก็ไม่ใช่เลื่องง่ายนะเพราะว่า คนเราทอผิดหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็มักมจะผิดสองผิดสองนี่ก็จะเป็นการปกปิดความผิดครั้งแรกแต่ถ้าทำผิดแล้วเราครั้งที่2เราทำให้มันถูกซะโอ้มันต้องใช้ความกล้านะแต่ว่ามันทำให้อะไรเลยดีขึ้นคนเราในทางเดียวกันนะบางครั้งเราทำอะไรล้มเหลว การล้มเหลวนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเริ่มต้นทำก็ล้มเหลวเลยแต่ว่าสิ่งสําคัญเนี่ยอยู่ที่หลังจากนั้นเราทํำยังไงกับความล้มเหลวเช่ น, นถ้าเราเอาแต่ท้อแท้สิ้นหวังอันนี้มันยิ่งแย่แต่ถ้าเกิดเอาล้มเหลวเนี่ยเราเรียนรู้จากความล้มเหลว หรือเรียนรู้จากความผิดพลาดอันนี้กลายเป็นดีนะคนเรามักจะเริ่มต้นด้วยความล้มเหลวแต่ว่าสิ่งสำคัญอยู่ที่การกระทำหลังจากนั้นเราปล่อยให้ความล้มเหลวนี้มันครอบงำใจทำให้เราท้อแท้หมดหวังหรือว่าเรารู้จักเรียนรู้จากความล้มเหลวอันนี้สำคัญกว่า มันจึงมีคนพูดว่าเนี่ยมันมีความล้มเหลวที่ผิดกับความล้มเหลวที่ถูกความล้มเหลวที่ผิดคือว่าพอล้มเหลวแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเอาแต่เศร้าโศกเสียใจหรือว่าล้มเหลวแล้วเนี่ยเราได้ประโยชน์จากมันเราเรียนรู้จากความล้มเหลวซื่งจริงมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราเติบโตขึ้นมาคนเราเนี่ยตอนเด็กๆ เ, เป็นทารกนี่เราก็เดิไม่เป็นนะ เราพยายามเดินแล้วเราก็ล้มแต่ว่าเราก็เรียนรู้ทุกครั้งจากการล้มนั้นคือมันช่วยทําให้เราเนี่ยรู้จักลุกแล้วก็ส่งตัวขึ้นมาที่เราเดินเป็นเนี่ยเพราะว่าเราเรียนรู้จากการที่เราล้มบ่อยบ่อยการล้มแต่ละครั้ง มันทําให้เราเกิดสัญชาติญาณ น, นี่มันทําให้เราเกิดการเรียนรู้ซึ่งเป็นสัญชาติญาณอย่างหนึ่งคือรู้ว่าจะส่งตัวยังไงไม่ให้ลม้มหรือว่าล้มแล้วเนี่ยก็รู้จักลุกไม่ใช่ล้มแล้วก็ล้ล ม, ล ม, ลลมเลยแต่บางคนเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นนะพอล้มแล้วก็ไม่ยอมลุกถามว่าทำไมไม่ลุกก็เพราะว่า กลัวว่าลุกแล้วก็จะล้มอีกก็เลยล้มก็เลยนอนไปอย่างนั้นไม่ยอมลุกแต่ที่คนบางคนที่มีปัญญาเมื่อล้มแล้วนี่ก็พยายามที่จะลุกขึ้นมาแม้ไม่แน่ใจว่าจะล้มอีกหรือเปล่าแต่ว่าแม้จะล้มอีกก็เรียนรู้ ว่าจะลุกขึ้นมาได้อย่างไรแล้วก็จะทรงตัวอย่างไรถึงจะไม่ล้มอีกในแง่นี้เนี่ยไม่สำคัญเท่ากับ2 1. นะนคือล้มแต่ 2. คือเรียนรู้จากความล้มเหลวโดยการพยายามที่จะลุกขึ้นมาแล้วคนเรามีความทุกข์ก็เหมือนกันนะเวลามีความทุกข์มันธรรมดานะที่ ย่อมีความทุกข์นานาชนิดเกิดขึ้นกับเราจะห้ามไม่ให้ทุกข์เนี่ยมันยากแต่สิ่งสําคัญคือว่าหลังจากทุกข์แล้วเนี่ยเราทําอะไรเราทํายังไงกับความทุกข์นั้นเราปล่อยความทุกข์มันพาเราเข้าร็อเข้าพงเลยหรือเปล่าซึ่งก็เกิดขึ้นกับคนจำนวนไม่น้อยนะเช่นเวลา อ, อกหักหรือว่าเวลาล้มเหลว ในการเรียนในการทำงานก็กลับไปซ้ำเติมตัวให้ทุกข์หนักขึ้นเช่นไปกินเหล้านะไปทำสิ่งที่ไม่ดีเป็นโทษต่อ ต, ตัวเองที่ทำให้ทุกข์หนักขึ้นบางทีก็ถึงไปเสพยาความทุกข์นี่มันก็ สามารถจะผลักให้หลายคนเนี่ยทำสิ่งที่เลวร้ายหนักขึ้นบางคนเจอความทุกข์ในครอบครัวถูกกระทําไม่ดีจากพ่อแม่เพราะไม่ได้ให้ความรักการดูแลที่ดีกับลูกหลายคนก็ต่อต้านหรือมีปฏิกิริยาตอบโต้ด้วยการเป็น คนเก่งมาเลยเกเรไปเลยที่เรียกว่าประชดสังคมอันนั้นก็น่าเห็นใจนะแต่ว่าเราสามารถทำอะไรได้ดีกว่านั้นเช่นพอทุกข์แล้วเนี่ยเราก็เรียนรู้จากความทุกข์อาศัยความทุกข์นะี่มันช่วยหล่อล้อมเราให้เข้มแข็งมีความอดทน หรือว่าเกิดปัญญามากขึ้นอันนี้เรียกว่าหาประโยชน์จากทุกเรา จ, จะป้องกันไม่ให้ทุก เ, เกิดขึ้นไม่ได้แต่เราสามารถจะเจรียนรู้จากความทุกได้ทุกเกิดขึ้นแล้วนะนี่คือ1ถ่งสือทั้งมัคือ2ว่าเราจะปล่อยให้ ทุกมันพาเราเข้าแล้วก็พงหรือว่าเราจะเรียนจากความทุกข์หาประโยชน์จากความทุกข์ใงงนแง่นี้สองเนี่ยสําคัญกว่า1นึ่งเช่นเดการเวลาเราภาวนาเนี่ยมาเจริญสติเนี่ยมันก็ธรรมดานะจะเกิดความหลงหรือเผลอคิดโน่นคิดนี่อันนั้นไม่สําคัญแต่ว่าหลังจากหลงแล้วเราทํำยังไง หลวงพ้อทำเขียนทั้งกรพูดอ ย, อยู่เสมอนะเปลี่ยนหลงให้เป็นรู้นะหรือว่าใช้ความหลงนั่นแหละเป็นอุปกรณ์เป็นวัตถุดิบสำหรับการสร้างตัวรู้ขึ้นมานั่นคือพอหลงแล้วก็รู้ว่าหลงนะอ่าแบบนี้ดีนะเราห้ามไม่ให้หลงไม่ได้นะแต่ว่าเราสามารถจะทำอะไรได้ดีกว่านั้น เมื่อมีความหลงเกิดขึ้นนั่นก็คือกลับมารู้อย่งน้อก็รู้ว่าหลงความฟุ้งก็เหมือนกันนะความคิดฟุ้งซ่านี่มันก็ห้ามไม่ได้แต่สิ่งสาคัญคือการกระทาของเราถัดจากนั้นก็คือรู้ทันความฟุ้งหรือว่ารู้ทันความคิดที่ฟุ้งหรือเพลอคิด แทนที่จะปล่อยให้ใจมันหลงไปเรื่อยๆฟุ้งไปเรื่อยๆกลายไปมาจาก1เป็น2จาก2เป็น3จาก3เป็น4คือฟุ้งหนักขึ้นนั่นเป็นเรื่องธรรมดานะที่เราจะเริ่มต้นด้วยความหลงด้วยความฟุ้งแต่หลังจากนั้นเนี่ยเรากลับมารู้ตัวมากขึ้นหรือว่ามีสติมากขึ้น วันนั้นเนี่ยหลวงพ่อเทียนหรือว่าอมเขียนทั้งกันเลยสอนหรือย่ำย้วยว่าเนี่ยมันจะหลงบ้างก็ช่างมันมันจะฟุ้งบ้างก็ช่างมันแต่ขอให้รู้ว่าหลงนะขอให้รู้ว่าฟุ้งนะเป็นลำดับถัดมายอมเผลอยอมพลาดได้เป็นอันดับแรกแต่ถัดจากนั้นนะเราก็ ใช้ความหลงความเผลอนะให้เป็นอุปกรณ์นะสอนหรือพัฒนาสติความรู้สึกตัวให้กับเราอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะเราเจออะไรมันก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าหลังจากนั้นเราทำอะไรกับมันบางคนเจอเคราะห์นะแต่ว่าหาประโยชน์จากเคราะห์นั้น ที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนข้อให้กายเป็นโชคหรือเจอทุกข์ก็เปลี่ยนทุกข์ให้กายเป็นธรรมอันนี้มันเป็นสิ่งที่ชี้วัดนะถึงคุณสมบัติของนักปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่มีปัญญาว่าเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นกับเราแม้มันจะไม่ดีแม้มันจะเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจ อันนั้นก็ไม่สำคัญแต่ว่าเราทำอย่างไรกับสิ่งนั้นหรือรู้สึกกับมันอย่างไรเช่นอ่เจ็บป่วยอ่เจ็บป่วยแทนที่จะทุกข์แค่กายก็ปล่อยใจให้หลงไปความทุกข์กายจนรทั่งทุกข์ใจด้วยอันนี้เรียกว่าไม่รู้จักใช้ประโยชน์ จากความเจ็บป่วยในทางตรงข้ามถ้าเราทุกกายหรือว่าเจ็บป่วยแล้วเนี่ยเราหาประโยชน์จากมันดูว่าเขากำลังสอนอะไรให้กับเรากำลังสอนธรรมะกำลังสอนอริจังทุกขังอนัตตาอย่างตอนที่หลวงพ่อคำเกล็นป่วยรักษาตัว ที่โรงพยาบาลพาะป่วยด้วยโรคมะเร็งเนี่ยท่านก็บอกว่านะป่วยนี่ก็สบายดีเหมือนกันนะไม่ต้องทำอะไรก็แค่ดูนะสังขารมาแสดงต่ละออกมาให้เราเห็นเท่า น, นี้ก็พอแล้วเราห้ามความป่วยไม่ได้นะแต่ว่าสิ่งที่เราสามารถเลือกได้คือว่าเราจะทำอย่างไรนะ ความป่วยที่เกิดขึ้นบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเลขหนึ่งเนี่ยเราห้าไม่ได้คุมไม่ได้แต่ว่าเลขสอเนี่ยนะเราสามารถจะเลือกได้สามารถจะคุมหรือกากับได้ที่แรกหลงแต่ต่อมาก็รู้ที่แรกฟุง้งแต่ต่อมาก็รู้ทัน ทีแรกทุกข์แต่ต่อมานะก็เห็นประโยชน์จากทุกข์ทีแรกก็ล้มแต่ต่อมาก็เรียนรู้ที่จะลุกแล้วก็ส่งตัวโดยที่ไม่ล้มง่ายๆต่อไปทีแรกล้มเหลวแต่ว่าต่อมาเราเรียนรู้จากความล้มเหลวให้เห็นได้ว่าเนี่ยสิ่งที่เราทําหลังจาก มีความทุกข์มีความล่มเหลวมีความฟุ้งมีความหลงมีความเผลอพลาดเนี่ยสำคัญมันจะสำคัญกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งแรกแต่ถ้าเราไม่ให้ความสำคัญตรงนี้นะพอเราทุกข์เริ่มต้นด้วยทุกข์ต่อมาก็ทุกข์หนักขึ้นทีแรกก็ล่มเหลวแต่ต่อไปก็ล่มเหลวหนักขึ้นทีแรกก็หลง แต่ต่อมาก็หลงหนักขึ้นทีแ้วก็ทำผิดแต่ต่อมาก็ทำผิดหนักขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่เลขหนึ่งนะที่สำคัญนะเลขสองสำคัญกว่าอย่าปล่อยให้เลขหนึ่งเนี่ยมานมากำหนดนะการกระทาของเราในลำดับถัดไป แต่เราต้องรู้จักเลือกเนะี่ยที่ทำให้มันดีขึ้นและนั่นเราก็จะเป็นหนทางสู่ความเจริญงองามและการเพิ่มผูนปัญญาให้เราสามารถอยู่ในโลกที่มันพันพวนแปรปวนได้ด้วยใจที่สงบและจิตที่เป็นปกติ